อกังคมาณะักกะว่าด้วยสงมุ่งหวังจะลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตหกหมวดหมวดที่1ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องสามคือ 1. ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 2. งโง่งเขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลีกับครืหัดด้วยการคลุกคลีกับครหัดที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวัง พึงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่2ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. มีศีลวิบัติในอธิศิน2 มีอาจารวิบัติในอัจฉาจารย์ 3. ม, มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่สภิกษุททั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวัง พึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกสุผู้ประกอบไดองสามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าสองกล่าวติเตียนพระธรรมสามกล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกสุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัต แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหละหมวดที่4ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุสามรูปคือ 1. รูปหนึ่งก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาดก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณในสง์ 2. รูปหนึ่งโง่เขาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับคฤหัต ด, ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัตที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสมเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องสามเหล่านี้แล หมวดที่5ภิกุทุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุอื่นอีก3รูปคือ 1. รูปหนึ่งมีศีลวิบัติในอัติศีลสรูปหนึ่งมีอาจารวิบัติในอัจชาจารย์ 3. รูปหนึ่งมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่6ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือหนึ่ง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 ในอุกเขปเนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตจบ